อุบายฝึกหลานของคุณตาเมื่อท่านเติบโตขึ้นพอปีนป่ายได้แล้วคุณตามัดมีอุบายฝึกให้หลานชายทั้งสองคนคือพี่ชายและตัวท่าน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 แกล้งมันคราวใดท่านจะดุจะว่าทันทีคำสอนคุณตา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 กลัวว่าตำรวจจะมาจับจริงๆจากนั้นก็รีบวิ่งอย่างเร็วไปหาป้าฝ้ายจนถึงที่นาของแก่เลยทีเดียวพอไปถึงก็พยายามจะบอกป้าฝ้ายว่าได้เอาอ้อยไปกินลำหนึ่งแล้วเมื่อป่าฝ้ายเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้ว รู้สึกสงสารหลานเลยพูดปลอบว่าโอ๊ยกูไม่หวงรับบัวเอาได้เลยนะที่หน้าที่หลังถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นของป้าฝ้ายก็ให้เอาได้เลยนะป้าฝ้ายว่าอย่างนั้นหลานก็เลยรู้สึกอุ่นใจสบายใจขึ้นทันที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 ใครๆก็เลยรักท่านทั้ง น, นั้นไม่มีใครคิดหวงข้าวหวงของอะไรกับท่านตอนไม่รู้ก็ผิดบ้างพอรู้แล้วไม่ยอมให้ผิด แตกต่างจากเพื่อนฝูงวัยเดียวกันแต่เล็กแต่น้อยก็ให้ความเคารพในพระาศาสนามีความเลื่อมใสในพระเนเนรมาโดยตลอดในตอนเด็กก็ชอบใส่บาทกับผู้ใหญ่เมื่อเข้าเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาแล้วท่านก็รับผิดชอบในการเล่าเรียนดี จะมีบางครั้งที่ซุกวนบ้างตามระษาวัยที่กำลังรักสนุกเลืดเพลินแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรดังเช่นครั้งหนึ่งยกเอาเรื่องสมัยเด็กมาสอนนักเรียนว่านี่หลวงตะบัวเคยเป็นนักเรียนมาแล้วนี่เป็นนักเรียนเป็นยังไงละ่ะ วันไหนขี้ขียดเรียนหนังสือก็หาอุบายลาไปเลี้ยงน้องวันนี้ลาเอาน้องครับพ่อแม่หนีหมดว่าอย่างนั้นนะพ่อแม่บอกดูน้องให้ด้วยนั่นว่าไปอย่างนั้นนะครูเขาก็ต้องอนุญาตนะสิใช่ไหมล่ะพอครูอนุญาตที่แท้ก็เพ็นแนบเข้าป่าหายจ้อยไปเลย เคยเป็นแล้วจึงเอามาพูดอย่าให้เป็นนะเด็กเหล่านี้หลวงตามันเคยเป็นมาแล้วมันไม่ดีจึงได้เอามาสอนลูกสอนหลานวันหนึ่งหนึ่งนี้ขาดโรงเรียนไปขาดวิชาไปบางทีเขาโน้ตจดวิชาอะไรต่ออะไรนี้เราไม่ได้จดกับเขา แล้วถ้าเราจะไปโน้ตหรือจดวันหลังเช่นนี้ก็จะเสียเวลาไปอีกมากมายแล้วถ้าครูสอนอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะวันนั้นเป็นวันที่เราขาดโรงเรียนนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมา พอรู้เรื่องรู้ราวแล้วรู้จักผลรู้จักประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนแล้วทีนี้โอ้ยไม่ยอมให้ขาดเรียนเลยนะหมายถึงว่าตอนเล็กกว่านั้นมันเคยทะเลทลายพอโตขึ้นมาพอรู้ภาษีภาษาบ้างเป็นไม่ยอมแม้แต่พ่อแม่ให้ลาเวลาจำเป็นนี้ ยังไม่ยอมหลามันจะขาดถ้าไปแล้วมันต้องเสียวิชานี้วันนี้รู้จะสอนอันนั้นอันนั้นบอกไว้เลยถ้าไปแล้วจะไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังวิชานี้ เป็นคนรักกฎระเบียบรักษาคำพูดและเคารพชื่อฝังผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์มาแต่เดิมจะไม่ยอมทําสิ่งใดให้เป็นที่หนักอกร้อนใจแก่ท่านจึงไม่เคยถูกดุด่าว่ากล่าวรนแรงอะไรหากจะมีอยู่บ้างก็คือครั้งหนึ่ง ระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังนั่งพูดคุยกันอยู่นั้นท่านก็เดินเข้าไปในบริเวณกองไม้ซึ่งอยู่สูงกว่าผู้ใหญ่ทำให้ดูเหมือนว่าท่านไม่ให้ความเคารพครูใหญ่เห็นดังนั้นคิดจะสอนท่านจึงพยายามมองศบตาและส่งสายตาเตือนให้รู้ตัว ท่านก็เลยรีบลงมาเมื่อผู้ใหญ่ไปแล้วครูก็พูดด้วยความเมตตาบอกให้ทราบเหตุผลว่าบัวเอ๋ยอย่าขึ้นนั่งสูงกว่าผู้ใหญ่นะอย่างนั้นมันดูไม่งามในตอนนั้นท่านไม่ทันคิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรต่อเมื่อครูทําสัญญาณบอกดังกล่าว ท่านจึงทราบและรีบปฏิบัติตามทันทีด้วยความเชื่อและเคารพในเหตุผล ในสมัยนั้นโรงเรียนอยู่ตรงวัดร้างบริเวณป่าศัก์ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านตาด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 ในระหว่างเวลาที่เรียนหนังสือพี่ชายของท่านชื่อคำไพซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ห้องติดกันถูกครูถามขึ้นว่าคาไพยข้างคาวคืออะไร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 อยู่แต่ในใจว่าก็อิกียดังวี่งไงอิกียหมายถึงข้างข่าวดังวี่งหมายถึงจมูกวิ่งจมูกแหวนทาไมแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่ออดรนทนไม่ไหวจึงร้องบอกพี่ชายว่าก็อิกียดังวี่งไงอิกียดังวี่ง พอพี่ชายได้ยินดังนั้นก็เลยนึกขึ้นได้รีบตอบครูทันทีว่าอีเจียดังวี้ครับผม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 ตามประษาพี่น้องย้อนมากล่าวถึงความผูกพันประษาพี่น้องในครอบครัวเริ่มต้นด้วยเรื่องที่น้องๆเล่าถึงอุปนิสัยและความจริงจังของท่านในวัยหนุ่มว่าท่านเป็นคนดุ เพราะนิสัยเป็นคนจริงจังทำให้น้องๆเกรงกลัวอยู่ไม่น้อยทีเดียวบางทีถ้าหากท่านไม่อยู่หรือออกไปนอกบ้านจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจแต่ถ้ากลับมาเมื่อใดต้องได้แอบบอกกันว่านั่นๆั่นบัวมาแล้วบัวมาแล้ว โดยมากน้องๆจะเกรงท่านมากเป็นพิเศษก็คือช่วงที่กําลังทํางานเพราะท่านจะทำจริงทําจังมากน้องๆจะมัวมาหยอกมาเล่นกันไม่ได้ท่านจะดุทันทีแม้ท่านจะจริงจังขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นเฉพาะเวลางานเท่านั้นถ้าเป็นช่วงปกติกันเองพี่ๆน้องๆ ท่านกลับชอบหยอกล้อน้องๆเล่นดังเหตุการณ์ในวันหนึ่งตอนนั้นท่านมีอายุประมาณ 18-19 ปีขณะที่น้องๆกำลังวิ่งเล่นกันอยู่นั้นท่านก็คิดหาอุบายหยอกน้องโดยเก็บมลกอมาขณะเดินผ่านน้องๆก็พูดขึ้นว่าจะยากอะไรตำมัก่ง จากนั้นก็ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ทำท่าตาส้มตาเสียงโขงครกดังปกปกปกอยู่ครู่หนึ่งสักประเดี๋ยวก็เรียกน้องๆขึ้นไปกินส้มตากูตาแล้วจะกินก็มาเดอ้อกูตาแล้วรีบรีบมากูตบาบังหุงเสร็จแล้วมาเอาลงไปกิน ว่าดังนี้แล้วก็ทำท่าไปยือนอยู่ใกล้ๆครัวไฟและไม่ยอมหันหน้ามาทางน้องๆอีกด้วยจากนั้นก็เอาเบตองมาห่อส้มตำที่เพิ่งโคลกเสร็จแล้วก็วางไว้ว น, น, น้องๆส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเพิ่งเล่นกันมาเหนื Flying ่อยๆจึงต่างมุ่งมาที่ห่อส้มตำ ด้วยความดีใจว่าจะได้กินกันพอคว้าได้ก็หัวเราะเริงร่าวิ่งลงมาข้างล่างเพื่อจะได้เปิดออกมากินพร้อมๆกันพอเปิดหอใบตองออกเท่านั้นก็ได้ยินเสียงล้แหลมร้องประสานขึ้นทันทีว่าว้ายเคียตปาน้องๆ ขะงาจากเคียดปาดตาปนในหอด้วยกลัวว่ามันจะโดดออกมาเกาะและต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางวงส้มต่ำจึงล้มสลายไปโดยฉับพลันท่ามกลางเสียงหัวเราะงอหายตามมาอีกยกใหญ่ๆ